าจะสบายคิดเอาฟังคนนู้นว่าอย่างนั้นฟังคนนี้ว่าอย่างนี้อาจารย์คนนั้นว่าอย่างนั้นอาจารย์คนนั้นว่าอย่างนี้ก็ทำไปทำตามที่เขาบอกนะสุดท้ายมันก็งงอะ่ะงง ง, งูสองตัวงงอะ่ะงงมันก็งโง่ดิบบนเโงอ่อ <c oughs> ่ะนะมันไม่รู้มันไม่รู้จริงๆมันสับสนมันวุ่นวายไปหมดเลย เพราะเราไม่รู้ว่าจุดที่เราจะดูเนี่ยเราจะใช้อะไรความคิดอย่าไปใช้นะการเรียนเรื่องกายเรื่องใจดูจิตดูใจอย่าไปใช้ความคิดอ้าวแล้วจะใช้อะไรอะ่ะใช้ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วขณะที่นั่งอยู่ตอนนี้รู้ตัวไหมว่านั่งอยู่ยกมือพลิกมือรู้ไหมหรือว่านั่งแล้วก็ ลอยๆสงบนิ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยยกมือก็ยกไปอย่างนั้นแหละใจลอยๆยกไปคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้อันนี้ก็เรียกว่าใจลอยนะมันไม่รู้ตัวมันลืมตัวมันหลงตัวนั่งอยู่รู้รู้สึกตัวยกมือก็รู้สึกตัว ความรู้สึกตัวมันเบาๆมันไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องไปกำหนดไปสะกดจิตตัวเองสมัยก่อนอาตมาฝึกเนี่ยอาตมาก็พยายามที่จะกดมันเอาไว้ไม่มันคิดเพราะว่าเราไปได้ยินว่าความคิดไม่ดีเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งทำให้เราทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องไม่มันคิดเราก็กดข่มมัน กดข่มมันใช้ลมหายใจบ้างใช้ใจลงไปบ้างกดข่มไปบางครั้งมันก็กดข่มได้บางครั้งมันก็กดข่ ม, มไม่ได้แล้วบางทีมันตีกลับเลยนะมันฟุ้งขึ้นมาเลยนะเพราะฉะนั้นความคิดอย่าไปห้ามมันแต่ก็ไม่ตามมันนะเราหาเครื่องมือต่อรองต่อรองกับความคิดคือความรู้สึกตัว ก็เปรียบเ um, ทียบความรู้สึกตัวเหมือนแสงสว่างแสงไฟเนี่ยความคิดเหมือนความมืดเมื่อใดที่เราจมไปอยู่ในความคิดเราก็อยู่ในความมืดเมื่อใดที่เรารู้สึกตัวเหมือนแสงสว่างมันเกิดขึน้นความสว่างมันจะไล่ความมืดออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยนะเราก็มาทําความรู้สึกตัวถามว่าความรู้สึกตัวเรามีอยู่ไหมมีมันมีอยู่ในระดับหนึ่ง ก็ เ, เรียกว่าความรู้สึกตัวตามสัญชาตญาณรู้บ้างเผลอบ้างนะมันไม่ได้รู้ตลอดเวลาตรงนี้แหละเป็นจุดอ่อนตรงที่เราเผลอเมื่ อ, อไหร่นั่นแหละก็คือเราลืมตัวเราหลงเข้าไปหลงไปในความคิดหลงไปในอารมณ์ความคิดร้อยแปดพัน้าที่มันจะมาชวนให้เราลืมชวนให้เราหลงทั้งความคิดดีและไม่ดีนะ ถ้าเรารู้สึกตัวเรากลับมารู้สึกตัวซะนะตรงเนี้ยมันจะเป็นทางออกเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องและบางทีมันไม่มีพลังพอมันไม่มีกําลังพอที่จะไปต่อกอนกับความคิดหลวงพ่อเทียนนั่นเปรียบทเทียบว่าสติเหมือนแมวความคิดเหมือนหนูแมวมันเจอหนูมันจะต้องจับทุกทีเหมือนกัน เมมันมีความคิดและมีสติมันก็จะเป็นคู่ปรับกันแต่แรกๆเนี่ยความรู้สึกตัวเรามันน้อยมันอ่อนมันไม่มีประสิทธิภาพแต่ความคิดมันแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรียนหนังสือคนที่เรียนหนังสือมากๆในระบบการศึกษาปัจจุบันเนี่ยเขาสอนให้คิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดจนหยุดไม่ได้และไม่รู้จะทำยังไง นี่คือกำลังของความคิดตัวสติตัวความรู้สึกตัวเรามันอ่อนนะเพราะฉะนั้นเราจะทําไงแมวเนี่ยตัวมันเล็กหนูตัวมันใหญ่แมวมันจับหนูหนูมันมีกําลังมันก็ลากไปเหมือนการคนฝึกใหม่ๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะรู้เท่ารู้ทันความคิดและพยายามที่จะทิ้งความคิดแต่มันก็ทิ้งไม่ได้ มันคิดเรื่องขึ้นมาทีไรเราก็คิดต่อสอต่อความยาวสาวความยืดมันรู้ไม่ทันมันไม่รู้จะทำยังไงกำลังของสติเราไม่พอเพระาะฉะนั้นเราจะต้องให้อาหารให้อาหารแมวให้อาหารกับสตินะอาหารของสติคืออะไรก็คือการที่เรามาฝึกมาฝึกจเจริญสตินะเช่นจะเป็นลมหายใจก็ดี เป็นพองยุบก็ดีเป็นเคลื่อนไหวก็ดีแต่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเราจะาวิธีการเคลื่อนไหว เ, เป็นหลักนั่งหลับตาอาณาปณะสติเนี่ยเราไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะเพราะอะไรลมหายใจเนี่ยมันเบามันเป็นเองแรกๆเรารู้สึกตัวชัดแต่พอเราหลับไปหลับไปหลับไปหลับไปมช่วยอ่อน สติมันจะอ่อนแล้วบางทีมันก็หลับไปเลยตกพวังไปเลยตัวหายไปเลยบางคนก็ดื่มดั่ดื่มดั่กับความสงบกับความเย็นบางคนมีปิติซาบซ่านแล้วคิดว่าอันนั้นแหละคือเป้าหมายแล้วก็แช่อยู่อย่างนั้นจมอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ไม่ก้าวหน้าไปไหน แล้วมันจะกลายเป็นคนที่ติดความสบายติดความสงบถอนตัวออกมาไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านจะบอกเอาไว้ว่าถ้าปิติก็ดีอะไรก็ดีอย่าเข้าไปอยู่ในตัวนั้นออกมาออกมาอยู่ที่ลมหายใจอกีกออกมาอยู่ที่กายที่ละเอียดนี้อกีกแต่เราไปทำแบบนั้นเนี่ย โดยเฉพาะคนยุคปัจจุบันเนี่ยทำได้ยากยกเว้นคนที่มีเวลานักบวชจะมีเวลาทำได้ต่อเนื่องคนในเมืองคนทำงานในสังคมในโอกาสที่จะมานั่งหลับตาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เนี่ยวันหนึ่งทำได้สักกี่ชั่วโมงแต่ถ้าเราทำเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นอิรยิยาบถที่หยาบแล้วมันต้องเจตนาลมหายใจเนี่ยมันเป็นเอง นะมันอาจจะเผลอมันอาจจะลืมได้ง่ายแต่เรายกมือเนี่ยโอกาสที่จะเผลอเนี่ยมันยากไม่ต้องอะไรละเราลองสังเกต ด, ดูดิถ้าเราหลงคิดไปสักหน่อยเดี๋ยวมันยกผิดละใช่ไหมเห็นไหยกผิดเอ้ยนมันมันซ้ายมันขวามันงงเลยไปเพราะนั้นเนี่ยเป็นกุศโลบายนะหลวงพระเทียนเนี่ยท่านพยายามที่จะเอารูปแบบเนี่ยมาเป็นตัวเริ่มต้นของการ ปลุกความรู้สึกตัวหรือเจริญทำความรู้สึกตัวที่มีตามสัญญาติยานให้มันเจริญให้มันต่อเนื่องให้มันมีพลังจากสติสามัญจะกลายเป็นมหาสติมหาสติคือสติที่มีพลังมีกำลังที่จะต่อกอนที่จะรู้เท่ารู้ทันความคิดรู้เท่ารู้ทันอารมณ์แสงเนี่ยเขาว่าไวที่สุดในโลกแล้วนะแต่สิ่งที่ไวกว่าแสงคือความคิด แต่มีสิ่งที่ไวกว่าความคิดคือมหาสติหรือสติปัฏฐานคิดปุ๊บรู้ปับ๊บคิดปุ๊บรู้ปับ๊บนั่นแหละมันทันกันล้นี่คือสติของการที่เราเจริญให้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่เนี่ยการเคลื่อนไหวในรูปแบบเป็นเรื่องสำคัญอย่าไปนิ่งดูได้บางคนไม่อยากทำลอก อตาตมาเ่งไปฝึกใหม่ๆก็เหมือนกันแหละเฮ้ยนั่งหลับตามันเท่นะใจเข้ารู้ใจออกรู้มานั่งยกมือป๊อกป๊อกแบ๊กๆบนี่มันเล่นไปได้ยังไงมันจะรู้สึกตัวได้ยังไงใจมันจะสงบได้ยังไงเออมันมีคําถามนะแต่พอเราทําไปเนี่ยแค่เรารู้สึกตัวแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อใจมันอยู่กับกายใจมันก็ปกติเฉยๆ นะไม่ดีใจไม่เสียใจเ อ, อ้มันมีอย่างนี้ด้วยความเป็นปกติของใจเขาจะแสดงตัวออกมาแล้วนี่แหละคือธรรมชาติเดิมแท้ของใจธรรมชาติเดิมแท้ของใจมันไม่ดีใจมันไม่เสียใจมันปกติมันเฉยๆแต่เฉยแบบรู้ไม่ได้เฉยแบบซืบ้อบื้อเฉยแบบไม่รู้ไม่ใช่นะเฉยตรงเนี้ย เป็นเฉยที่ตื่นรู้และนี่แหละคือความสงบที่ตื่นรู้ส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันแต่ความสงบที่ไม่คิดอะไรใช่ไหมนั่งนิ่งนิ่งหลับตาให้ใจเข้าให้ใจออกสบายไม่คิดอะไรไอ้นั่นสงบแบบไม่รู้แต่อันเนี้ยสงบแบบรู้และสงบแบบรู้แบบนี้เนี่ยเราไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ลืมตาก็สงบหลับตาก็สงบทําให้นึกถึงสมัยที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะไปเรียนกาจารสองคนอ า, าลาลดาบทได้ฌานสมาบัติเจ็ดนิ่งสงบสบายฟ้าผ่าเปรี้ยงลมังหน้ายัางไม่ได้ยินเสียงเลยนะคนเขาอยู่ในฌานก็ยังไม่พอใจไปเรียนกับอาจารย์อีกคนหนึ่งอุทกระดาบทรามาบรได้ฌานสมาบัติแป หยนี่ยิ่งดื่มดำเลยสุดท้าเจ้าชาย ม, มาสรุปว่ามันก็แค่สงบขณะที่นั่งลืมตามาเห็นสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่สงบก็เลยถามอาจารย์ว่ามันมีอะไรที่มากกว่านี้ไหมอาจารย์บอกไม่มีละแค่เนี้ยเจ้าใจถจะเป็นคนมีปัญญาท่านบอกมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ คำว่าสงบในทีน่นี้เดินก็สงบลืมตาก็สงบทำอะไรก็สงบมันต้องเป็นอย่างนี้สิไม่ใช่มานั่งหลับตาแล้วก็สงบอย่างนั้นไม่ใช่ไอ้ น, นี่มันสงบชั่วคราวมันต้องสงบให้ต่อเนื่องท่านจึงไปค้นคว้าด้วยตัวเองลองผิดลองถูกทรมานร่างกายตัวเองคิดว่ากิเลส ท, ที่มันทำให้เราไม่สงบมันอยู่ที่กายก็ไปทรมาน กฎคมต่างๆก็ยังเรียกว่าแทบตายนะเอาชีวิตแทบไม่รอดสุดท้ายก็มาลึกนึกได้ว่าเออตอนสมัยเราเป็นกุมารไปนั่งใต้ต้นว่านะได้เห็นจิตเห็นใจมันคิดมันนึกมันสงบนะก็รู้แล้ะโอ้ย่างนี้ต้องมาดูตรงนี้ต้องมาดูที่จิตใจมันคิดมันนึกนี้ไอ้ตัวการสําคัญมันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราไม่รู้เท่ารู้ทันความคิดนี่แหละ ความคิดมันเลยปรุงแต่งทำให้เราดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจโลภโกรธหลงมันเกิดตรงนี้ในวันวิสาขาบูชาท่านเลยเจอตรงนี้ตัวที่ไปเห็นมันก็คือตัวสติตัวปัญญางะสามารถที่จะลื้อถอนสิ่งที่มันหมักหมมอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเรื่องราวต่างต่างที่มันเกิดขึ้นไม่รู้กี่กี่กี่ชาติแล้วที่เรียกว่าลลุกชาติน่ ขนะองท้าเระลึกไปไกลมากเลยแล้วก็เห็นเลยที่เกิดของความคิดมันอยู่ตรงนี้เห็นแล้วก็กระทุ้งออกไปสะสางชำระล้างสิ่งที่มันหมกหมักหมมอยู่ในจิตใจที่เราอาศะกิเลส น, นะสุดท้ายก็สามารถที่ชำระล้างสิ่งเหล่านี้ออกไปจากจิตใจได้ตแตสรู้ในคืนวันเพ็ญวันวิสาขาบูชาเดือนห นี่เป็นความรู้ใหม่เมื่อสองพันหกร้อยกว่าปีที่แล้วไม่มีใครค้นพบเจ้ชาชายแต่ค้นพบจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกการบำเพ็ญเพียรทางจิตไม่ใช่ไปนั่งกดข่มเอาการที่เรามาฝึกเนี่ยเราก็เดินตามรอยนี่แหละเราไม่ต้องไปกดข่มตัวเองเราไม่ต้องไปบังคับตัวเองให้มันไม่คิด ให้ ม, มันคิดออกมาให้มันแสดงออกมายิ่งคิดเรายิ่งรู้เราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปกระตุ้นมันนะเพียงแค่เราพลิกมือไปมาเดินจงกรมไปมาเนี่ยนะเดี๋ยวความคิดมันโผล่ขึ้นมาเองเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเรารู้เราไม่สนใจเรากลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวมันโผล่ขึ้นมาเราทิ้งเรากลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวทําอย่างเนี้ยซ้ำแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีก มันจะเห็นความคิดที่หลากหลายออกมาแรกๆมันจะเป็นความคิดเรื่องไม่เคยดีอ่ะเขาเรียกอากุศลาธรร ม, มานี่เวลาเราไปสวดอภิธรรมเรื่องไม่เคยดีมันเป็นอารมณ์หยาบๆมันจะแสดงออกมานะเห็นแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันกลับไปกลับมารู้สึกตัวสแตนบายอยู่ที่การเคลื่อนไหวเหมือนนักมวยเต้นฟุเวก เพราะนั้นการที่เรามายกมือก็ดีมาเดินจงกรมก็ดีเนี่ยนะเพื่อเราจะกวนมันกระตุ้นมันสิ่งที่มันหมักหมมในใจให้มันฟุ้งขึ้นมาเราก็จะได้เห็นรอยเปื้อนในจิตในใจเหมือนรอยเปื้อนของผ้าถ้าเราเห็นรอยเปื้อนของผ้าเราจะได้ซักมันถ้าเราไม่มาดูเนี่ยมันก็ยังฝังอยู่ในใจเราเนั่นแหละแล้วมันก็จะโกรธเนี่ยมันก็จะโกรธง่าย มันจะหลงง่ายมันจะโลภง่ายคนเราถ้าไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะต่อให้เป็นด็อกเตอร์เป็นคนมีความรู้มากมียศถานมนาศขนาดไหนก็ตามถ้าไม่รู้เรื่องนี้นะหลงไปตลอดปีตลอดชาติเกิดชาติไหนก็หลงอยู่นั่นแหละเรียกว่าอยู่ในวังวนสารวัตรสังสารวัตรของความทุกข์ล่าไปแต่เมื่อเรามาเห็นตรงนี้เนี่ย เราจะออกจากวงวนตรงนี้เพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยดูแล้วมันเป็นเรื่องไม่น่าจะสำคัญเลยคนทั่วไปก็บอก็กมีแล้วก็มีความรู้สึกตัวแต่มันแล้วไม่มีล่ะมีแต่มันเป็นความรู้สึกตัวตามสัญญาติยานมันต้องพัฒนาให้เป็นความรู้สึกตัวที่มีพลังว่องไวรู้เท่ารู้ทันการจะรู้เท่าทันความคิดอารมณ์เนี่ยเราไปคิดเอาไม่ได้นะ เราจะไปดูมันก็ได้ใหม่ๆเนี่ยให้เรารู้กับกายเคลื่อนไหวก่อนเอาอิรยยิยาบถหยาบๆก่อนที่เราได้สาธยายมนสติปัฏฐานเมื่อสักครู่เนี่ยใช้อิรยิยาบดยืนเดินนั่งนอนเดินก็รู้สึกยืนก็รู้สึกนั่งก็รู้สึกนอนก็รู้สึกรู้สึกตัวนะกินดื่มพูดคิดรู้สึกตัว อิริยบถย่อยเหลียวซ้ายแลขวารู้สึกตัวนุ่งหม่มรู้สึกตัวอุจจาระปัสสาวะยังต้องรู้สึกตัวเห็นไหมละเอียดไหมเพราะฉะนั้นในการฝึกเนี่ยเราสามารถฝึกได้ในชีวิตประจําวันไม่จําเป็นต้องไปนั่งนิ่งหลับตาแล้วถึงฝึกไม่ใช่อันนั้นก็เป็นรูปแบบแต่ในอิริยบทย่อยเนี่ยาบางทีเราจะยังไม่ชัดเพราะฉะนั้นใช้อิริยบทใหญ่ๆ ใช้รูปแบบการยกมือสร้างจังหวะ14จังหวะให้มันได้14จังหวะอย่าไปยกแบบเอาตามใจตัวเองลวกๆวกไวไวไม่รู้สึกตัวนะในการเคลื่อนมือเนี่ยมันมีเคลื่อนมีหยุดนะถ้าไม่รู้ว่าหยุดอย่าเคลื่อนการหยุดนี่คือบันยับยัง้งยับยัง้งแม่เราไปตามความคิดหรือตามความเคยชินนะ ใหม่ๆคนใหม่ๆทําให้ช้าหน่อยอย่าไปทําไว้ไม่ใช่เพื่อนเขาทาไว้แล้วก็ทําไว้บ้างเห็นคนเก่าๆก็ทำนะโยมช่วยปลุกเขหน่อยคนจีนปุกเขาหน่อยเนี่ยยกมือลืม ต, า ล, มต า, าลืมตาบอกเขาลืมตาอย่าไปนั่งหลับตาถ้านั่งหลับตานะความง่วงมันจะไปกินหมดเลยนะลืมตาลืมตายกมือแรงๆตบลงไปแรงๆอย่างนี้ก็ได้ให้มันตื่นตัว นะถ้าใครรู <talk ing sau> ้สึกง่วงนะเออนี่ยกมือแรงๆถ้ามันง่วงจริงเออมันหายใจเข้าลึกๆนะเนี่ยแก้อารมณ์ใหม่ๆเนี่ยนะการยกมือเนี่ยมันมันจะเบื่อมันซ้ําๆซากซากมันเบื่อมันไม่เีบไมีเลี่ยวมีแรงแต่ต้องตั้งใจหน่อยนะเพราะฉะนั้นการทำอันเนี้ยมันฝืนหน่อยนะ ยกมือเดินจงกรมก็เหมือนกันหลักการเดียวกันก็คือให้ใจนะมีสติอยู่กับกายกายที่มันเคลื่อนมันไหวอย่าไปนั่งนิ่งๆการฝึกวิธีนี้เนี่ยไม่ไม่สนับสนุนให้นั่งหลับตาไม่สนับสนุนให้นั่งนิ่งๆเพราะอะไรมันนิ่งมันไม่รู้สึกตัวนะมันจะคิดไปเรื่อยเปื่อยนะเราเคลื่อนไหวมันจะได้ต่อรองต่อรองกับความคิด ต่อรองกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเพราะนั้นตรงนี้ให้เราระลึกรู้การเคลื่อนการไหวทีละขณะทีละขณะแต่อย่าไปเพ่งไปจ้องมันนะอย่าไปจ้องจะให้มันรู้ตลอดเวลานะันมึนหัวเลยนะอาตมาเคยฝึกตอนแรกๆกับมัเป็นอย่างนี้แหละต้องเพ่งย้อยมันรู้ตัวตลอดเวลารู้บ้างเผลอบ้างใหม่ๆจะเป็นแบบนี้เผลอคิดไปกลับมารู้สึกตัวใหม่ เหลอคิดไปกลับมารู้สึกตัวใหม่ตรงนี้แหละสติไม่ใช่สติคือไปจี้รู้ตลอดเวลาถ้าไปจี้รู้ตลอดเวลานั่นสะกดจิตตัวเองโดยไม่รู้ตัวทําไปแล้ว ม, มึนดิเครียดดิเบื่อดาานะออิแต่ทำสบายๆนะหลวงพ่อเทนบอกทําทเล่นๆแต่ทําจริงๆทําเล่นๆแต่ทําเรื่อยๆนะเหมือนเด็กก็เล่นนอะ ส่วนใหญ่คนมาใหม่ๆจะตั้งท่าแหมเอาจริงเอาจังนะโอ้ยยกสักพักนึงเนี่ยหมดเดี่ยวหมดแรงนะทําไปพักไปนะเหมือนการเดินเหมือนกั น, น, น, กนบางคนเนี่ยกลัวจะไม่รู้สึกตัวต้องเดินย่องย่องช้าชา้ารู้สึกตัวทุกก้าวแล้วเป็นไงอะ่ะเมื่อยไหมล่ะโอ้ยแต่มาก็ยังเห็นอยู่เดินเดินย่องย่องช้าชา้า อย่าไปขีมันเดินธรรมดาเนี่ยแต่ให้รู้สึกตัวมันจะเผลอไปบ้างไม่เป็นไรกลับมารู้สึกตัวใหม่ใหม่ๆ ม, มันจะเผลอยาวหน่อยนะเผลอยาวไปหลายเรื่องบางทีคิดไปล้วสิบเรื่องเพิ่งมารู้เรื่องที่สิบไม่เป็นไรเห็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะหดสั้นพอมันคิดเรื่องที่เก้าเรารู้ทันอา้าวเรื่องที่สิบไม่ไปแล้วเดีเ๋เอากอ้ามันคิดทัน เรื่องที่8ดเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่หเรื่องที่ห้ามันจะค่อยๆหดสั้นไปอย่างนี้นะไม่ใช่ไปจี้จะให้มันไม่เผลอเลยอย่างเงี้ยโอ้ยมึนหัวเลยธรรมาก็เป็น <c ười> ใครเคยฝึกมาก็คงจะเจอหรอนะทำธรรมดาธรรมด า, า, า, า, า, ารู้บ้างเผลอบ้างแต่เผลอแล้วเรากลับมารู้พัฒนาการที่เห็นจะเห็นก็คือมันจะความคิดมันจะหดสัน้นให้มันเป็นเองนะ ไม่ใช่พูดไปนี้ต่อไปนี้ไปฝึกกันจะต้องให้มันสั้นนะให้มันเป็นเองเพียงแต่ว่าไม่ใหม่เจตนาหน่อยแต่พอเราทําไปอีกหน่อยมันไม่ต้องเจตนามันจะเป็นเองเพราะอะไรเราเคยเพลินเคยเพลอเคยทําตามความเคยชินมามากอะ่ะมันก็เลยต้องฝืนหน่อยมันต้องทวนหน่อยนะการปฏิปาติเคยทวน ทวนยังไงคือแต่ก่อนเนี่ยมันเคยคิดไปแล้วเราไม่ไปเรากลับมารู้สึกตัวมันคิดไปเรากลับมารู้สึกตัวตรงนี้แหละเป็นจุดสำคัญและต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอาศัยรูปแบบการยกมือการเดินจงกรมการสร้างจังหวะและพอเข้าวองน้ำก็พยายามที่จะรู้สึกตัวเปิดประตูเบาๆปิดประตูเบาๆ เข้าของน้ําอย่าใส่อย่าใส่ร อ, องเท้าเข้าไปลาดน้ําขับถ่ายเสร็จราดน้ําไม่เรียบร้อยทําความสะอาดนะเนี่ยอันนี้เราจะมีสติกินข้าวเหมือนกันบางคนน่ยกินไปคุยไปมีไหมเนี่ยไปตั้งวงกันตหน้าสาร ะ, ะหน้าตั้งวงคุยกันนะกินไปคุยไปข้าติดคอหรือเลปล่าพระนี่ท่านกินแล้วท่านท่านฉันเนี่ยท่านจะนั่งเงียบ พิจนาอาหารคำว่าพิจารณาคือระลึกรู้เปรี้ยวหวานมันเค็มปากมันขยับเคี้ยวลิ้นมันตวัดไปตวัดมาเนี่ยเจริญสติอาการกินนั่งเงียบเงียบใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้รสนะรู้รสนะเนี่ยเราฝึกได้อาการกินข้าวก็ไม่หกด้วยล้างถ้วยล้างจานรู้สึกตัวกับการล้างถ้วยล้างจานมีใจอยู่กับสิ่งที่ทําอยู่เฉพาะหน้า ไม่ใช่ล้างจานไปกับคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้เข้าห้องน้าเนี่ยโอโ้ฝึกได้ง่ายเลยตอนถ่ายขับถ่ายเนี่ยอุจจาระปัสสาวะบางคนเข้าไปขับถ่ายเนี่นนบางทนะีท้องผูก่เนาะนั่งโอ้ยเบ่งนะไม่ไหวท้องผูกเป็นลิซดวงเลยบางทีเบ่งแรงๆอนะ่ะเพราะฉะนั้นค่อยๆให้มันไหลออกมาหรือบางทีก็ไปในห้องน้ําก็คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ใจไม่ไม่อยู่กับการขับถ่าย ใจมันไปอยู่ที่อื่นใจกับกายมันไม่ได้อยู่ด้วยกันก่อนจะนอนก็คิดและเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นถึงเวลานอนก็นอนดีไปคิดอะไรอีกแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปห่วงมันปล่อยวางไปเลยเนีย่อย่างคืนเนี้ใครที่มาแปกที่แปกถิน่นแล้วนอนไม่เคยหลับเนี่ยไม่ต้องไปกลัวนะวัดป่าสุกโตไม่มีผีงงกลัวมืดไม่เคยนอนแปกที่แปกถิน่น หายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวหายใจออกลึกๆรู้สึกตัวปล่อยร่างกายสบายๆอมผ้าดีๆเดี๋ยวมันหลับเองนะภานไม่ต้องกังวลให้ถือว่าที่นี่เป็นบ้านของเราเรานอนบ้านเราไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยทำใจอย่างนงี้ได้เนียฝึกสติกับการกินการนอนการขับถ่ายการเดินจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่คุยกันได้จะดีที่สุดเลยปรีกวิเวกตัวใครตัวมันอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะรับฝากโทรศัพท์ใช่ไหมตัดทางติดต่อกับโลกภายนอกเลยเพะมาเนี่ยมันจะมาทางขึ้น a a s t r u e d t a c h นี่แหละเพราะนั้นในการฝึกเนี่ยนะเจ็ดวันที่เราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะไม่ติดต่อโลกข้างนอกเลยเน็ตนตไม่สนใจใครจะส่งอะไรมาไม่สนใจให้เวลากับตัวเองบ้างสิ ให้เวลากคนอื่นมามากแล้วให้เวลากตัวเองบ้างแต่วเราจะรู้สึกเลยโอ้ยนะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้เองอยู่ที่ใจมันปกติแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีรสมีชาติเหมือนความสนุกสนานแต่ตรงนี้แหละมันหล่อเลี้ยงเราให้เรามีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ใจปกติก็คือสภาพที่แท้จริงของใจ ธรรมชาติเดิมแท้ของใจมันจะแสดงปรากฏออกมาต่อเมื่อเรารู้สึกตัวชัดแล้วมันไม่มีอารมณ์หรือความคิดมาบดบงังเหมือนพระอาทิตย์น่ยส่องสว่างอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันมีเมฆมาบางังมันก็จะมืดใจของเรามันก็ส่องสว่างเป็นปกติอย่างเงี้ยแต่มันจะหมองมัวเพราะว่ามันมีความอยากความยึดติด อะไรต่างๆความไม่รู้อะไรต่างๆมันมาบังเอาไว้การเจริญสติก็คือเราจะเราจะรู้เท่ารู้ทันอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันจะผ่านไปผ่านไปเราไม่ต้องไปกักเอาไว้นะตรงเนี้ยน้ำก็จะทำให้เราเป็นอิสระจิตใจก็จะเป็นอิสระจากเครื่องร้อยรัดทั้งหลายนะที่เราคุ้นเคยหรือเคยชินนี่คือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมการที่เรามาวัดป่าสุกโตเนี่ยเรามาฝึกเรื่องนี้ใช่ไหม เราต้องการมาสัมผัสตรงนี้ใช่ไหมแต่ในการฝึกนั้นอย่าหวังว่าจะได้อะไรทำไปเรื่อยๆนะอย่าหวังว่าจะได้อะไรเพราะว่าธรรมะมันมีแต่การปล่อยการวางนะก้มหน้าก้มตาทําไปนะถ้ามันมีความคิดอะไรสงสัยขึ้นมาทิ้งไปก่อนกลับมารู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัวมันจะง่ว ง, งวเหงาเฮานอนใช้อิเดียบทช่วยมันจะคิดฟุ้งซ่านกลับมารู้สึกตัว อันนี้จะเป็นทางรอดและเป็นทางแก้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้สําหรับการเริ่มต้นเนาะสำหรับกลุ่มประจําเดือนเนาะวันนี้เป็นวันแรกนะสำหรับคนเก่าแลก็คงจะรู้แล้วละนะว่ามีวิธีการอย่างไงเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้เอาละในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระศรีรัตนตรัยนะก็คือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์